ทำให้เกิดความน้อยใจจนน้ำตาคลอพูดเสียงเครือขึ้นว่าเอานี้ดีกว่าเอาเป็นว่าทุกคนเดินล่วงหน้าไปก่อนทิ้งฉันไว้ที่เมืองลิงนี่แหละฉันขอแค่งแง่ทรายไว้เป็นเพื่อนคนเดียวเท่านั้นถ้าธุระของฉันเสร็จทางนี้ฉันกับแง่ทรายจะเดินตามไปให้ทันตรงจุดนัดพบเนินพระจันท์เชื่อว่าอย่างมากก็คงเดินไล่หลังกันไปเพียงแค่สองวันเท่านั้น ยันครางฮิออกมาพี่ชายใบหน้าขลึมและอย่างนี่ส่วนมาเรียเข้ามาโอบกอดเพื่อนสาวไว้พูดปลอบโยนอ่อนหวานน้อยจ๊ะไม่มีใครคิดทิ้งเธอไว้ที่นี่ตามลำพังได้หรอกแม้ว่าเธอจะมีแง่ายเป็นเพื่อนด้วยก็ตามนี่เธอลืมมติประจำคณะของเราใส้แล้วเหรอว่าถึงยังไงเชอพวกเราทั้งสิบสองชีวิต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 น้อยจะต้องปราบไอตัวสามเขาหรือไซเซราทอ็อปศัตรูร้ายของชาวลิงนี่ลงได้โดยมีแงซายร่วมมือหลังจากนั้นก็จะออกตามหลังไปขอ้ล่วงหน้าไปก่อนได้พรุ่งนี้ตามแผนเดินทางที่กำหนดไว้แต่เดิมแล้วจคิดหรือว่าจะตามทันโดยทิ้งระยะเวลาสองวันไล่หลังอ่ะน้อยชัยันถามถ้ามีแงซายเป็นผู้นาทางเลยฉันแน่ใจว่าต้องทัน ไอ้เจ้าตัวไงซ้ายนะ่ะมันเดินตามพวกเราทันแน่ฉันเชื่อแต่ตัวเธอเองไหวเหรอก็ถ้าจําเป็นขึ้นมามันก็ต้องไหวหรือทาไมไหวก็ให้มันรู้ไปดารินตอบอย่างเด็ดเดี่ยวก่อนที่ใครจะพูดอย่างไรต่อไปนั่นเองพรันใหญ่ก็ขยับตัวเอ่ยมาเสียงห่าวๆว่าวคุณหญิงครับผมก็ถามคุณหญิงอยู่หยกๆนี่วะ คุณหญิงใจผมทำยังไงจันตานี it, ้ก็ไม่เห็นมีบัญชาาแต่กลับบอกให้พวกเราคนอื่นๆเดินล่วงหน้าไปก่อนโดยคุณหญิงจะอยู่รับภาระปราบทุกเข็นในเมืองลิงนี่เสเองทั้งๆที่รู้อยู่แล้วะจะยังไงเสียมันก็เป็นไปไม่ได้ในการที่ใครจะทิ้งคุณหญิงอยู่ตามลำพังที่นี่ก็จะต้องให้ฉันพูดหรือบัญชาอะไรล่ในเมื่อคุณเองก็รู้จุดประสงค์ของฉันอยู่แล้วะ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 ฉันอยู่เองผมอยากจะได้ยินคำของคุณชายอนุญาตให้คุณหญิงอยู่ที่นี่ตามต้องการเหมือนกันนะครับและผมก็จะไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นถ้าหากว่ามีการอนุญาตกันได้เช่นนั้นจอมพรานพูดเรียบริบบพร้อมกับลุกขึ้นยืนฉ่วยได้ไรเฟิรนประจามือและไฟฉายเดินตรงเข้ามาสกิดไหลแง่ซ้ายโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่พยักหน้าเป็นสัญญาณให้ตามออกมาด้วย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 ยิ้มย่ออีกตามเคยไอ้เวนผมสงสารเลยเห็นใจผู้กองจริงๆครับที่ต้องยุ่งยากลำบากใจสารพัดแต่ถึงยังไงก็ยังดีที่เรื่องยุ่งไม่ได้เกิดจากผมผู้กองสั่งผมยังไงผมก็ปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัดแต่บังเอิญนายหญิงรู้เรื่องเขาเองเพราะว่ายาบอกผู้กองคาดอะไรไว้มันก็เป็นจริงทุกอย่างนายหญิงไม่อาจนิ่งดูได้ได้ ถารู้ว่าวายากะลิงพวกนี้กําลังเดือดร้อนฉันเห็นแกหัวเราะใส่หน้าฉันตั้งแต่นยายหญิงเริ่มรู้เรื่องที่วายาเล่าให้ฟังแล้วล่ะผมขบขันและเห็นใจผู้กองมากกว่าที่จะมีความรู้สึกอื่นใดครับระพินจุปากเบาๆพร้อมกับส่ายหัวดิก บ, บนพึมและถามว่าแล้วนี่เราเจ้ายังไงกันดีปวดหัวจริง กองทําถูกกันแล้วครับที่ทำเหมือนก็ว่าจะออกมาเป็นธุระจัดการให้ตามที่นายหญิงต้องการถ้ายังขืนใจเย็นนั่งอยู่ในนั้นต่อไปผมว่านายหญิงก็เล่นงานผู้กองต่อแล้วนี่แกหมายความว่ายังไงที่พูดว่าฉันทําทีเหมือนกับว่านะี่ยผมไม่คิดว่าผู้กองจะเดินออกไปไหนไกลกว่าการหลบให้พ้นหน้านายหญิงและคณะนายจ้างของเราไม่ใช่หรือครับ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 คราวหลังรู้ทันก็บอกให้รู้ซะเลยว่าแกรู้ทันอย่ามาซ้อนกลนอะไรฉันเอาเป็นว่าเรานั่งกันอยู่ที่นี่แหละสักพักใหญ่ค่อยกลับเข้าไปก็แล้วถ้าเจ้านายถามนะครับก็บอกว่าเราออกไปดูลาดเราแล้วยังไม่เห็นวีแววอะไรหรือถ้าไอตัวสามเขานั่นมันใกล้เข้ามาจริงเจ้านีลากับพวกนั้นมันก็ต้องแล่นอ้าวมาบอกเราเองะ่ะในเวลากลางคืนแบบนี้น่ะไอลิงดาพวกนั้นน่ะ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 ผู้กองต้องทนยุ่งยากลำบากใจมาตลอดเวลาที่มีน้องสาวคนสวยของนายใหญ่ติดมากะคณะด้วยคนหนึ่งต้องยุ่งทั้งงานทั้งใจแต่บนความยุ่งยากทั้งปวงผู้กองก็มีแก่นแท้ของความสุขเจือปนอยู่ด้วยไม่ใช่เลยครับเสือกระพินลากเสียงขณะที่เป่าควันซิก้าลงต่ำทำหน้ายุ่ง ก็มีอยู่สองอย่างสําหรับแงซรายในสายตาของผู้กองถ้าไม่เสือกก็สงบนิ่งผู้กองไม่ชอบทั้งสองอาการนี้ก็ทําไมไม่เลือกเอาสักอย่างหนึ่งที่ชอบมั่งนะครับเออฉันยอมแพ้กะะันว่ะเอาเป็นว่าฉันมันคนขี้พานหาเรื่องเอาก็แกก็แล้วกันวาทะของแกนะ่ะมาต้อนฉันไปสู่มุมนั้นนยูว่ว่าแต่นี่นะครับผู้กอง ผู้กองชวนแง่ายมานั่งตักนงังคางด้วยทำไมผู้กองจะหลอกนายหญิงหลอกคณะนายจ้างของเราก็วาควรจะออกมานั่งคนเดียวไม่ใช่เหรอครับฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันชวนออกมาเป็นเพื่อนนั้นแหละพวกเขาจะได้เห็นจริงเห็นจังไงว่าฉันออกไปตรวจดูลาดเราไอตัวสามเขานั่นแล้วอย่างหนึง่งฉันต้องลำบากออกมานี่แทนที่จะได้พักผ่อนก็มาเรื่องอะไรที่ฉันจะลาบากคนเดียว่ะ ก็ลากแกออกมานั่งลำบากตากน้ำค้างกับฉันด้วยดีนี่แงไซ ส, สุดตัวลงนั่งบนก้อนหินตรงข้ามกับเขาสูดลมหายใจอันเย็นชํำของอากาศยามค่ำลงไปในปอดแล้วเราจะนั่งกันอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่ละครับผู้กองก็จนกว่านีลาไอ้พวกนั้นมันจะกลับมามคิดไว้แล้วหรือยังครับผู้กองจะเอาอยัางไง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 แงสายซ่อนยิม้มแกล้งพูดทิ้งค้างไว้กลัวอะไรกลัวว่าถ้าผมจะแกล้งผู้กองในรายการนี้มันก็ง่ายนิดเดียวนะครับผู้กองใช้ผมให้ไปจัดการกระตัวสามเขาน้นตามลำพังโดยผู้กองไม่ไปด้วยผมก็ทำเป็นตามมันไม่พบหรือริงมันไม่อยู่ระยะเวลาเห็นการตามล่ามันก็ต้องยืดออกไปอีก ที่นี่ผู้กองเป็นหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงไอ้ผมน่ะเป็นแค่คนใช้พ้นเสียทั้งหลายมันจะตกอยู่กับใครล่ะครับจอมพลานแยกเขี่ยวนี่อย่านึกนะว่าแกจะเป็นต่อฉันเจ้าแง่า ย, ายไอ้การเดินไปถึงเนินพระจันทร์ทันเวลาหรือไม่นะทางด้านส่วนตัวฉันทำไม่สำคัญหรอกเพราะฉัน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 เรามาลองดูกันไหมล่ะสำหรับฉันจะอยู่ที่นี่นานสักกี่วันก็ได้แงาสายอึ้งและกล้มศีรษะให้อย่างจำนนผมบินไปไม่ได้สูงนักสำหรับพรานใหญ่ระพินไพรวันครับผมก็อย่าพยายามบินให้มันเหนือเมฆนักสิเป็นนั้นว่าเอาล่ะผมรับเป็นภาระเองผู้กองพักผ่อนให้สบายเถอะครับ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 S <S <S มันนั่งเสียเวลาตากน้ำค้างกันอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรคืบหน้าขึ้นมาไม่ใช่แล้วครับเออมันก็ยังดีกว่าที่จะเดินให้เมือ่อยถึงจะจะพละไปตามมันและฉันก็ไม่ได้ไปกับแกด้วยฉันก็ต้องนั่งรอแกอยู่ตรงนี้วันยังค่ะจนกว่าแกจะกลับมาเพราะฉันจะกลับเข้าไปสมทบกับพวกนายจ้างอีกก็ไม่ได้เว้นแต่จะกลับเข้าไปพร้อมกับแก กลัวพวกเขาจะรู้งั้นสิว่าตัวเองนะ่ะเอาเปรียบใช้แง้สายไปทำงานคนเดียวเอออ้าวก็แล้วทำไมถึงไม่ไปกับผมซะด้วยเดี๋ยวนี้แ่ะครับนี่หูแตกหรือยังไงแต่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันขี้เกียจเดินแล้วก็มีเจตนาโดยตรงที่จะใช้แกไปทำงานนี้ตามลำพังคนเดียวชนิดที่พลาดไม่ได้ซะด้วยยังไม่มีโอกาสจะฆ่ามันได้ในะคืนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก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 แกคิดว่าเจ้าพวกนี้มันบอกเราว่ายัางไงแงใส่ตัวสามเขาถอยไปแล้วครับเพราะหาทางขึ้นมาบนนี้ยังไม่ได้ไปติดจุดตรงหน้าผาชันแล้วก็เลือกล้มความพยายามที่จะหาทางขึ้นทางด้านนั้นอ้อมหางไปทางป่าล่างแล้วครับใอ้แก่เข้าใจภาษาบ่ายของมันได้ดีมากนะเนี่ยฉันก็คิดว่าคงเป็นเช่นนั้นล่ละเอาล่ะถ้างั้นเรากลับเข้าไปข้างในได้แล้ว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 บอกความต่อไปยังแขกเมืองที่มุงล้อมฟังข่าวอยู่เมื่อแงซายกับพรานใหญ่ก้าวเข้ามาถึงนั้นดูเหมือนทุกคนจะทราบความได้โดยตลอดแล้วเพราะเห็นเจรจาซักถามวายากันอยู่และทั้งหมดที่เพิ่งจะเหลือบมาเห็นอีกสองคนที่ก้าวตามเข้าไปสมทบที่หลังอ๋อนั่นรพินกับแงซสายกลับมาแล้วนี่เป็นไงได้ความว่ายังไงมั่งล่ะเชิดฐาทักขึ้นโดยเร็ว นีลารายงานให้ทราบแล้วไม่ใช่หรือครับเจ้าฐานเอกนั่นบอกว่ายัางไงมั่งนะครับมันก็กลับมาบอกวายาแล้ววายาก็แปลเราฟังอีกทีหนึง่งมันว่าตอนนี้นาะยตัวสามเขาไปแล้วอ้อมไปทางป่าทิศใต้ด้านล่างพยายามจะไต่ทางสูงชันขึ้นมาบนนี้ให้ได้แต่หนทางนะั้มันแคบชันมากประกอบกับที่ตัวมันใหญ่ขาสั้นงุ่มง่ามก็เลยปีนขึ้นมาไม่ได้ก็คงจะอ้อมไปหาทางขึ้นอีกด้าน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 ระพินโกหกอย่างแนบเนียนหน้าตาเฉยไม่ได้เจตนาจะโกหกใครอื่นทั้งสิน้นนอกจากหมอดารินคนเดียวปรากฏว่าไม่มีใครสงสัยในคำพูดของเขาส่วนแง่ทายก็ตีหน้าตายด้านโดยไม่สอพิรุษนี่ดูเหมือนจะเป็นการร่วมมือกันได้อย่างกลมกลืนเป็นครั้งแรกระหว่างพรานใหญ่กระจอมพเนจรคู่ปรับเพราะตกลงกันมาเป็นอย่างดีแล้ววยาบอกว่ามีอยู่ทางหนึ่ง ที่ไซเซราท็อปอาจไต่ทางขึ้นมาบนบริเวณนี้ได้ทางนั้นอยู่ด้านตะวันออกเป็นบริเวณเป็นบริเวณที่ชันน้อยที่สุดมันอาจจะอ้อมไปค้นหาทางขึ้นมาจากด้านนั้นได้ราชสกุลสาวหันมาบอกเขาจอมพลนิ่งไปครู่หนึ่งบัตรนี้มันถึงวาระแล้วที่เขาจะต้องเอาเป็นทุระในเรื่องนี้อย่างจริงจัง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 ไซเซราท็อปตัวนั้นคงจะวนเวียนพยายามหาทางขึ้นหรือลงเพื่อบุกเข้ามาถึงถิ่นที่อยู่ของวายาให้ได้แต่ยังหาทางไม่พบแล้วมันก็คงจะเพียนหาลู่ทางอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามจากคาบอกเล่าของดารินซึ่งรับทราบจากวายาอีกทีหนึ่งว่ามีหนทางปลอดภัยอยู่ที่แห่งหนึง่งทางด้านตะวันออกของถิ่นวานอน อาจจะเป็นทางที่เจ้าตัวสามเขาผ่านขึ้นมาได้ก็ควรจะเป็นทางด้านนี้แหละที่เขาจะต้องเตรียมสกัดรับมือโดยไม่เปลืองเวลาไปค้นหาติดตามอยู่ให้ยากรพินก้าวเข้าไปชิดแท่นของพระเจ้ากรุงขิดขินเมืองวานอนซึ่งนั่งพิงผนังหินหน้าเคร่งขรึมเต็มปไปด้วยริ้วรอยแห่งความวิตกกังวลและอารมณ์อันขุ่นมัวเกี่ยวกับข่าวศัตรูวายา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 ว่ายามองหินทางนั้นอยู่ทางเดียวทางด้านอื่นมันจะขึ้นมาไม่ได้มันกำลังอ้อมหาทางอยู่และมันอาจพบถ้างั้นก็ดีแล้วส่ทงทหารลิงของเจ้าให้ไปดักระวังเหตุอยู่ทางด้านนั้นตลอดทั้งคืนนี้นะถ้าตัวสามเขาปีนขึ้นมาทางด้านนั้นเมื่อไหรก็ให้รีบกลับมาบอกทันทีและคืนนี้มันยังไม่เข้ามา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 ไม่ว่ามันจะหลบซ่อนอยู่ที่ใดตามรอยชั่วไม่นานก็พบก็ Donc, ถ้าเช่นนั้นก็ทำตามที่สั่งสิถ้ามันเข้ามาคืนนี้เราก็จะฆ่ามันคืนนี้แต่ถ้ายัางไม่มาพรุ่งนี้เราจะออกตาบวายาสีหน้าสว่างใสขึ้นในทันทีนั้นหันไปส่งภาษาบงการกับบริวารอึดใจเดียว เจ้าพวกนินทั้งหลายก็พากันหายออกไปแล้วก็หันมาทางระพินและทุกคนผู้กองวายากับลิงทุกตัวแห่งเขานินละการจะไม่ลืมบุญคุณของพวกท่านทุกคนที่มาช่วยในครั้งนี้แมรอศีโกนธัญญะไม่ช่วยวายาโดยตรงก็ช่วยแล้วโดยอ้อมโดยการส่งพวกท่านมาให้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 คอยวางใจได้น้อยมาเรียเอ่ยขึ้นบ้างเบาๆกับดารินวายาบอกกับเราว่าแม่ฤาษีกนธัญญจะไม่ได้ช่วยเขาโดยตรงก็ช่วยทางอ้อมโดยการส่งพวกเราให้มาช่วยเขาก็ทําไมไม่คิดเป็นมุมกลับกันมั่งล่ะน้อยในข้อที่ว่าแม่ฤาษีกนธัญญจะไม่ยอมให้ข่าวอะไรกับเราโดยตรง แต่ก็อาจาให้ข่าวโดยทางอ้อมได้เหมือนกันจากวิธีที่ให้ลิ้นแก่วายาเพื่อพูดภาษากับเราได้รู้เรื่องไงคำพูดของมาเรียชนิดนั่นเองทําให้ทุกคนเฉลียวคิดอะไรขึ้นมาได้เออจริงด้วยสิมันก็น่าจะเป็นอย่างที่เมว่านี่สละการที่ท่านจะบอกให้ข่าวอะไรกับเราโดยตรงอะถือว่ามันเป็นการอาบัติผิดศีลแต่ถ้าวายาบอกก็คงไม่เป็นไรนะ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 เดี๋ยวพี่จะลองถามเขาเองพร้อมกับพูดท่านหัวหน้าคณะหย่อนกายลงนั่งบนแท่นของวายาเว้นระยะไปชั่วครู่ขณะนั้นทุกคนเงียบสงบมองจับอยู่ที่อดีตทูตทหารบกและมนุษย์วานอนเป็นตาเดียวกันวายาครั้นแล้วเชษฐาก็เริ่มอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลประชากรวานอนอันเป็นบริวารของเจ้าทั้งหมด ที่รวมหมู่กันอยู่ในเมืองนี้นะ่ะมีจำนวนสักเท่าไหร่นายใหญ่ถ้ารวมลูกเล็กเด็กแดงด้วยก็ประมาณพันเศษละพยาวานอนตอบคำถามอย่าง ฉ, ะฉะับฉันลักษณะของพวกเจ้านะ่อยู่กันเป็นชุมรมเป็นเมืองผิดไปจากการเป็นอยู่ของสัตว์ฝูงทั่วไปทุกชนิดแต่ก็คล้ายมนุษย์ จะพอจะบอกได้ไหมว่าพวกเจ้าแสวงหาอาหารทำมาหากินกันยังไงนายใหญ่ทุกวันวานอนชะกันตัวผู้จะพลัดเปลี่ยนแบ่งกําลังกันออกล่าสัตว์ตัวเมียจะลงไปเก็บพันธุ์ผลไม้อย่างที่ราบตื้นเนินด้านตะวันตกของเขาลูกนี้ส่วนที่เหลือจะอยู่บนที่พักเลี้ยงลูก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 พวกเรารวมกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดเป็นหลักแหล่งแน่นอนแล้วก็อยู่ที่นี่มานานแล้วแต่จะนานเท่าใดว่ายาไม่อาจรู้ได้เพราะเป็นถิ่นเดิมของชาวนิลกาลก่อนที่จะเอาวายามาเลี้ยงและเติบโตขึ้นมาจนจําความได้เมืองของเราอยู่บนไหลผาชันศัตรูจะบุกรุก ข, ขึ้นมาไม่ได้ โดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเตรียมสู้หรือเตรียมหนีได้ทันตามปกติแล้วกองทหารวานอนของเราจะกระจายหันออกบริเวณป่าเขาไปในรัศมีใกล้ๆรอบดาทั้งอาหารและตรวจตราสิ่งแปลกปลอมอันอาจเป็นภัยต่อเราได้ทหารวานอนที่กระจายกันออกไปเหล่านั้นจะท่องเที่ยวอยู่ในแดนดงหุบเขา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 นีลานำไปไล่ต้อนพวกเรามาตะหากพวกเรามีความรู้สึกในขณะนั้นนะ่ะว่าได้ตกเป็นเฉลยลิงซะละด้วยความจำเป็นขีดสุดได้จะสู้ก็สู้ไม่ได้เพราะนีลาฉลาดมากมันขนอุปกรณ์รยังชีพและอาวุธส่วนใหญ่ของเราขามโมยมาซะก่อนชา ย, ยันอดไม่ได้ที่จะสอดพูดขึ้นมาพร้อมกับหัวเราะอย่างขันขันสหายปากเปราะ และพวกท่านทุกคนหากว่านีลาหรือบริวานวานนอนตัวใดกระทาการอันไม่สมควรอย่างใดลงไปวายาก็ขออภัยต่อท่านไว้ที่นี่ด้วยชัยันเกาหัวอย่างฉุนฉุนเพราะถูกเรียกว่าสหายปากเปรอะเข้าอีกพอจะขยับปากเชษฐาก็โบกมือห้ามไว้สะกก่อนเลยต้องนิ่งไป ท่านฤาษีกนธัญญมีความสัมพันธ์อย่างใดกับพวกเจ้าหรือเปล่าวายาท่านไม่ได้เกี่ยวพันอย่างใดกับวายาหรือประชากรลิงทั้งหลายหรอกท่านเป็นแต่เพียงท่อนหินอันศักดิ์สิทธิ์ผู้สงบนิ่งชั่วนิรันดร์การตั้งแต่วายาจำความได้ก็เห็นท่านนั่งนิ่งอยู่บนไหลผ่ผาแห่งนั้น มาโดยตลอดการอันยาวนานไม่ได้ไหวติงขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยไม่ยอมรับการปรนิบัตริรับใช้ใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าวายาได้รับความทุกข์ยากและระลึกถึงท่านท่านก็จะปรากฏกายลอยเด่นอยู่ตรงหน้าแผ่เมตตาและแนะนำชี้ช่องทางที่ถูกที่ควรให้บางครั้ง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 ที่เงี่ยหูตั้งอกตั้งใจคอยสะดับฟังคำพูดของจอมวานอนอยู่แล้วพยักหน้าช้าๆเจ้าบอกว่าเจ้ารู้เห็นการมาของเรานับตั้งแต่เราผ่านช่องเขาขาดเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเราจะบ่ายหน้าไปที่ใดและด้วยวัตถุประสงค์ร่วายาไม่รู้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 ก็เอี้ยวตัวเอามือล้วงเข้าไปใต้แผนน่นหนังสัตว์ที่ปูอยู่ทางด้านสีษักล้วงเอาสิ่งหนึ่งขึ้นมาชูให้เห็นในมือทุกคนตะลึงพึงเพลิดเบิกตากว้างเมื่อมองเห็นสิ่งนั้นได้ถนัดตาชะงักนิ่งกันไปหมดเหมือนถูกสาบให้เป็นหินไปชั่วขณะสิ่งที่ถืออยู่ในมือวายาอันชูอวดอยู่ในขณะนี้คือมีดโบวี ซึ่งมีใบา ย, ยาวขนาดสิบสองนิ้วขมมีดทำด้วยสตนเลสสตีนกระทบแสงคบเพลิงที่ลุกสว่างอยู่บนผนังหินเป็นประกายมันปราบระพินไพยวันก้าวพรวดเข้าถึงตัวกระชากมีดเล่มนั้นจากมือของวายามาพิจารณาโดยเร็วด้วยตาอันเบิกโพรงแล้วถามเกือบจะเป็นเสียงตะโกนว่าวายาเจ้ามีดเล่มนี้มาจากไหน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 ที่วายามีใช้อยู่วายาเก็บไว้ใกล้ตัวเสมอสำหรับแล่เนือ้อพรานใหญ่ตะลึงงานไปอีกครั้งส่งมีดให้เชษฐาซึ่งอดีตท่านทูตทหารบกรีบรับไปดูด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกคัางออกมาว่ามีดโบวี้ระพินไี่คุณจำได้ไหมในวันที่คุณพบอนุชาเป็นครั้งสุดท้ายนะ่ะ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 แล้วยกมือขึ้นชี้คนหนุ่มมีรูปร่างและหน้าตาเหมือนนายใหญ่ผู้นี้พี่กลางดารินตะโกนลั่นแทบช็อกเล่าต่อไปเร็วสิวายาเล่าต่อไปชีดถาแทบจะระ ง, งับความตื่นเต้นไว้ไม่ได้เช่นกันร้องเร่งมาพร้อมกับจับแขนพยาวานอนไว้แน่น ก่อนที่ทหารลิงของวายาที่ตะเวนไพรจะออกไปพบวายาได้นอนฝันไปก่อนแล้วหรือสีโกนทั ญ, ญะมาเข้าฝันบอกให้วายารู้ถึงการมาของมนุษย์สองคนและสั่งให้วายาไปช่วยเช้าวันรุ่งขึ้นวายาออกไปกับนีลา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 และตลอดเวลาที่เขาพักอยู่กับวายาสิบวันจนแข็งแรงดีแล้วก็ลาจากเดินมุ่งหน้าต่อไปราชะสะกุลสาวยิ้มออกมาได้ทั้งน้ำตาแทกจะโผเข้ากอดจอมวานแนอนไว้หันไปพูดเสียงสั่นกับทุกคนทุกคนได้ยินที่วายาพูดไหมพี่กลางกระหนานอินยังไม่ตายเขาเดินทางมาจนถึงที่นี่ วละวายากะลิงพวกนี้ช่วยชีวิตไว้เพราะฉะนั้นที่ฉันช่วยชีวิตวายาและกําลังจะช่วยเขาต่อไปนะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยวายาเคยมีบุญคุณช่วยพี่กลางไว้ก่อนแล้วเอาละเอาละอย่าเพิ่งตื่นเต้นงันงกไปนักเลยน้อยพี่ชายควบคุมมารมณได้เหนือกว่าเปล่าวขึ้นมาเสียงต่ําๆพร้อมกับดึงแขนน้องสาวให้ผละห่างออกมาพลางหันไปมองหน้าวายาด้วยสายตาเป็นประกาย ระหว่างนั้นดารินก็ผูเข้ากอดมาเรียวไว้แน่นแทบจะกระโดดโลดเต้นแปลข้อความทั้งหลายให้แม่เพื่อนสาวต่างแดนได้ทราบตามคำบอกเล่าของพยาวานอนมาเรียนนั้นเมื่อทราบความก็อุทานออกมาโอ้พระเจ้าไี่โชคดีอะไรอย่างนี้ฉันคิดแล้วไม่มีผิดว่าเขาจะต้องรู้เห็นถึงการผ่านมาของทั้งสองนั่นแน่ถ้าหากว่าสองคนนั้นไม่ตายลงซะก่อน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 ชื่าสูตรลมหายใจลึกตื้นตันในข่าวของน้องชายผู้สาบสูญจนไม่อาจกล่าวได้ถูกหันมาทางจอมพรานเราจะเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ได้แล้วหรื อ, อยังนี่ว่าสองคนนั่นคืออนุชากนานอิทก็ทะาลงทะวายาบอกว่าคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนคุณชายก็เห็นจะไม่มีปัญหาต้องคิดอะไรอีกแล้วละมังครับแล้วพินก็ถามพยาวานอนว่า และทั้งสองคนนั่นเขามีกระบอกเสียงดังๆอย่างนี้มาด้วยหรือเปล่าละ่ะขณะที่พูดเขาชูไรเฟิลให้วายาดูพยาวานอนพยักหน้าอีกครั้งมีมาคนละดุน้นมันทำเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าหันไปทางไหนทางนั้นก็ตายใช่แลวล่ะครับปืนยังติดตัวอยู่คนละกระบอก และลูกก็คงจะยังมีพร้อมล่ะเขาแปลความหมายบอกไปทางนายจ้างทุกคนแล้วเจ้าพาเขาไปนมัสการกลธัญญามุนีบ้างหรือเปล่าลววาวยาระหว่างที่เขาพักอยู่กับเจ้าที่นี่เชิดถาสอบรายละเอียดต่อไปวายาพาเขาไปพบฤาษีบอกเขาด้วยว่าที่วายาไปช่วยเขา ก็เพราะฤาษีสั่งเขาบอกให้วายาพาไปกราบไหว้โกนธัญญามุนีแล้วเขาพูดคุยกฤาษียังไงบ้างล่ะเจ้าคงได้ยินอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอชยันถามสอดมาบ้างอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกวายานิ่งไปครู่แงหน้ามองเพดานหินเหมือนจะทบทวนความจําแล้วสายหน้าช้าช้าวายาจําไม่ได้ ว่าเขาพูดอะไรกับฤศีคล้ายๆเขาจะบอกฤสีว่าเขามีจุดประสงค์อะไรและจะบายหน้าไปไหนเขาอยากจะถามความอะไรท่านอีกมากมายแต่ท่านไม่ให้คำตอบอันใดนอกจากสั่งสอนและให้พนแก่เขานี่คือสิ่งที่วายาพอรู้เห็นนี่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 ด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจรับฟังในสิ่งที่จะหลุดมาจากปากของพยานลิงวายาบอกว่ารู้จักอย่างน้อยในชีวิตก็ได้เคยท่องเที่ยวระเวนผ่านมาแล้วสหรือห้าครั้งเป็นเนินราบสูงรูปร่างประหลาดสวยงามมาก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 เพื่อเปรียบเทียบกับแผน่นกับลายแทงในแผ่นหนังนั้นส่วนชายันก็สกิดเชษฐาให้ดําเนินการกระตุ้นเตือนวายาให้พูดต่อแล้วเจ้าไม่ได้ห้ามปรามทัศทานเขาหรอกเหรอวายาไม่ได้ยินดังนั้นน่ะเจ้าและเขาได้พูดกันต่อไปยังไงบ้างล่ะวายาละสายตาจากเปลวไฟบนปลายใต้มาจับที่เชิฐา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 ทั้งสองแข็งแรงสดชื่นดีในวันออกเดินทางนายหญิงแล้วเจ้าให้สเสบียงติดตัวเข้าไปกะว่าใช้ได้นานสักเท่าไหร่ละ่ะชายันถามงดแววเล่นสนุกหรือคึกขนองของอารมณ์นอกจากความเ ค, คร่งขรึมจริงจังว่ายาอยากให้เขานำติดตัวไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะขนไปได้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 ระพินแม้มริมฝีปากแน่นความจริงระยะจากที่นี่กระเนินพระจันทร์ก็ไม่ห่างไกลกันนักนะจะบอกว่าอย่างเจ้านะเดินห้าวันเขาเดินก็อาจจะประมาณสักสิบวันถ้าเกิดอันตรายใดๆขึ้นกับเขาเจ้าก็น่าจะรู้ไม่ใช่หรอือถ้าวายาส่งกองทหารสอดแนมตามหลังเขาไปด้วย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 วายาไม่เคยถามฤษีว่าเขาเลยไปที่ใดอีกหรือไม่และขณะนี้อยู่ที่ใดและฤษีก็ไม่เคยบอกสิ่งใดๆแก่วายาอีกในเรื่องนี้วายาพูดซื่อแล้วหลังจากวันที่เขาได้จากไปแล้วนะ่ะเจ้าได้เคยผ่านไปที่เนินพระจันทร์อีกบ้างไหมไม่เคยเลย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 ความจริงระยะทางจากที่นี่ไปถึงเนินพระจันทร์ก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรนักตามที่คุณว่านะทั้งสองคนนั่นน่าจะย้อนกลับมาที่นี่อีกได้ไม่ใช่เหรอถ้าเขาไม่หลงตระเลเิดเปิดเปิงไปที่อื่นจนหาทางกลับไม่พบดู้ว่าเกิดอะไรที่เราไม่อยากจะคาดคิดขึ้นกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใ น, นเมื่อเขาก็รู้อยู่แลว้วว่าชาวภูเขาในละกาณเป็นมิตรที่ดีของเขาจอมพรานถอนใจยาว เขไม่กล้าชำเลืองขึ้นสังเกตสีหน้าของเชษฐาฤดารินซึ่งรู้สึกว่าขณะนี้กำลังจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียวกันมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เรากำลังขบคิดอยู่นะเมยสังเกตดูตามความรู้สึกของวายาขณะที่เขาเล่าให้เราฟังนี่ก็รู้ว่าเขาไม่คิดว่าจะมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับคนทั้งสองนั้นทั้งสิ้นเพราะเชื่อว่าขนทางเดินจากที่นี่ไปยังเนินพระจันทร์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 รีบถามต่อมาโดยเร็วแล้วเขาบอกเจ้าบ้างหรือเปล่าล่ะว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปให้ถึงเนินพระจันทร์ตามกาหนดระยะเวลาที่พระจันทร์เสี่ยวลอยอยู่บนท้องฟ้าเขาไม่ได้บอกว่ายาเช่นนั้นแต่เขาเร่งที่จะออกเดินทางภายหลังเมื่อบาดแผลหายสนิทและแข็งแรงดีแล้วว่ายาให้เขาอยู่ต่อไปอีกสยัยกระยะหนึ่ง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 เพราะถึงยังไงประโยคคํคำพูดของแง่ทรายไม่ว่าจะมีเจตนาอะไรที่ซ่อนเร้นแฝงไวเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ฟังแล้วมันก็ยังเป็นมงคลหูเป็นความหวังของคณะนายจ้างทุกคนเพราะถึงยังไงก็คงไม่มีใครอยากจะได้ยินว่าบุคคลสาบสูญทั้งคู่หาชีวิตไม่แล้วแง่ทรายแกมีเหตุผลอะไรอีกบ้างไหมที่กล้ารับรองถึงขนาดนี้ ชายันถามเสียงต่ำๆมีครับนายทหารจอมพเนจรผู้ลึกลับตอบด้วยน้ำเสียงอาดองค์มีกังวาลจากข้าหน้าตายด้านซึ่งไม่อาจส่อความรู้สึกชนิดให้ใครจับได้แงซ า, ายมองโชคชะตาของนายชดประชากรและหนานอินในแง่ดีมาตลอดนะครับไม่เคยคิดเลยว่าเขาทั้งสองจะต้องตายแงซ า, ายเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าแม้ขนานี้ เขาก็ยังมีชีวิตอยู่การเดินทางค้นหาในครั้งนี้จะต้องไม่ล้มเหลวแน่นอนเราเริ่มจับข้าเงื่อนและสืบสวนการเดินทางของเขามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนับตั้งแต่ผู้กองรพินพบกับเขาที่โป่งกระถิ่และเรื่อยมาเป็นลาดับจนกระทั่งได้ทราบรายงานข่าวครั้งล่าสุดจากวายาในขณะนี้จุดหมายปลายทางที่เราติดตามเขามาก็เหลือเพียงระยะทางช่วงสุดท้ายนี่เท่านั้น คือระหว่างเขานิลาการและเนินประจันเป็นช่วงสั้นที่กระชั้นชิดที่สุดแล้วตลอดเส้นทางมหาวิบากอันยาวไกลที่เราแกะรอยมาตลอดทุกป่าเขาลำเนาไพรตลอดเส้นทางกว่าครึ่งค่อนเต็มไปด้วยพยันตรายร้ายแรงสารพัดชนิดเราก็พบแล้วว่าทั้งสองดำรงชีวิตรอดบุกบันฟันฟาผ่านมาได้จนถึงภูเขานิลาการแห่งนี้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 แม่ดวงชะตาของทั้งสองจะถึงจุดดับเขาก็ควรจะดับลงซะแล้วในเขตแดนภูเขาในิรักการ น, นี้เองนายชดถูกงูกัดกําลังจะตายนั้นอินหมดแรงและขาดอาหารแต่วายากระลิงพวกนี้ได้ไปช่วยเหลือไว้ไปช่วยโดยการเข้าดนใจของฤาษีโกนธัญะผู้มองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตการช่วยเหลือของวายา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 ไอ้เสือนี่เข้าใจพูดให้พวกเรามีความหวังอันแจ่มใสต่อไปอีกแลวเราก็มองไม่เห็นเหตุผลด้วยวะ่ะทำไมถึงจะต้องแย้งกันในเรื่องนี้ชัยยันว่าส่วนมาเรียยิ้มมองไปทางจอมพเนจรด้วยสายตาเป็นประกายวาววามประหละัดบุคคลผู้นี้แสดงคุณลักษณะอันแท้จริงที่ซ่อนเร้นของเขาออกมาให้พวกเราได้เห็นแจ่มชัดทีละน้อยเป็นลดับ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 นี่เธอหมายความว่ายังไงที่พูดว่ามีสิ่งที่จะบอกให้รู้เกี่ยวกับแง่ทรายน่ะมาเรียหัวเราะเสียงใสแล้วยักไหลให้ถึงเวลาซะก่อนสิสำหรับขณะ น, นี้อย่าเพิ่งสนใจอะไรเลยเอาเป็นว่าเรามาพูดกันถึงปัญหาติดพันนี่ก่อนดีกว่าภัายวันของเราสงบเฉยสงบท่าทีอยู่ตลอดเวลาเขากลัวจะพลาดท่าเสียทีอะไรแง่ทรายหรืมะ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 เช่นนั้นไม่ใช่เลยครับก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรสักอย่างในเรื่องนี้นี่เขาพูดอย่างเริ่มจะห ง, งุดหงิดแต่พยายามจะระ ง, งับไว้ระพินสอบดูในลายแทงแล้วไม่ใช่เหรอเส้นทางระหว่างเขาในหลการและเนินพระจันทร์ในลายแทงนั่นมันมีอะไรคานกับที่วายาบอกเราหรือเปล่าใกล้เคียงกันหมดทุกอย่างนะครับคุณชายเชิดถาหันมาทางวายาอีกครั้ง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 เขาหนีจากเรามายังแดนอันลี้ลับห่างไกลาจากถิ่นเดิมของเราส่วนพวกเราก็กําลังบายหน้าติดตามเขาเพื่อเอาตัวเขากลับไปยังถิ่นเดิมของเราด้วยความรักและเป็นหัวดังนั้นเราจึงสอบถามข่าวคราวของเขาจากเจ้าและเจ้าก็ได้ให้ประโยชน์ทางด้านข่าวแกเรามากเราได้พยายามสอบถามเรื่องนี้กับฤาษีกุลธัญญาแล้วแต่ท่านก็ไม่ยอมบอกอะไรแกเราทั้งสิ้น วายาพยักหน้าอย่างเข้าใจนายใหญ่ถ้าเช่นนั้นพวกท่านก็ต้องเร่งออกเดินทางแกะรอยตามหลังเขาไปเขามุ่งไปที่เนินพระจันทร์แน่เท่าที่วายารู้แต่ระยะเวลาที่พวกท่านติดตามนั้นมันห่างไกลกันเหลือเกินกับที่เขาได้จากที่นี่ไปปา่านนี้ไม่รู้แน่ว่าเขาอยู่ที่ไหน จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรสำหรับฤาษีโกนธัญญาทัญญาได้พยายามถามสิ่งใดเลยฤาษีจะไม่บอกอดีตปัจจุบันหรืออนาคตแก่ผู้ใดทั้งสิ้นเราทั้งหมดกำลังจะตามเข้าไปแล้วละ ว, วายาแต่ต้องภายหลังจากจัดการปราบตัวสามเขาให้พวกเจ้าเสร็จเรียบร้อยซะก่อนดารินกล่าวตัดบทขึ้น